นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทาง www. p i o t h a m m a c o m อาตมาพระไพบูร์พิปุญโนจากวัดป่าดอนไหส่งทุกสัปดาห์ก็จะมาพร้อมกับคุณหมอนัทพงศ์ครับสวัสดีครับกระผมทันตแพทย์นัทพงศ์กรนุวิรุณครับอยู่ที่กรุงเทพครับอ่าเราก็อาศัยเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราสามารถคุยกันได้นะทางไกลแล้วก็บันทึกเสียงไวปพร้อมๆกันด้วยก็จะนำธรรมะมาใ ห, ให้ท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์อย่างนี้แหละตอนละประมาณครึ่งชั่วโมง ในตอนนี้เป็นเอพิซอตที่เท่าไหร่แล้วคุณหมอโนตพงศ์มครับท่านอ่าสสแล้วเอพิซอตที่36กอ่ก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องของคำถามที่มีท่านผู้ฟังได้ถามไว้ตอนที่แล้วกลับขออนุ ญ, ญาตกล่าวเลยนะครับได้ไดคำถามจากผู้ใช้นำว่าผู้ศึกษาปฏิบัติก็คืออ่ากลับถามเอาไว้ว่าคือตัวผู้ถามเนี่ยยังไม่เข้าใจชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องการเห็นการเกิดดับขณะนั่งสมาธิคือถ้าคือท่านกล่าวไว้ว่าตอนที่พระอาจารย์เคยพูดไว้ในตอนก่อนๆว่าถ้าเห็นการเกิดดับขณะนั้นก็สามารถบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพะระอร<า>หันต์ได้เลยใช่ทีนี้ต้องสืบเนื่องจากคําถามก่อนหน้านี้ของคุณผู้ศึกษาปฏิบัติที่พูดถึงบอกว่าตอนก่อนนอนก็พยายามจะนั่งสมาธิเห็นเกิดแล้เห็ น, หห น, หหนดับอย่างนี้ใช่ไหมครับอาตมาก็ พอที่ฟังอย่างนี้มาก็โอ้ดีมากมากเลยใครเห็นเกิดดับนี่เป็นผ้ารานเลยอ่างนั้นอ่ก็เลยอาจจะไม่เข้าใจว่าหมายถึงว่าอะไรใช่ไหมครับก็คือผู้ถามก็ถามว่าเวลามีประสบการณ์ที่นั่งสมาธิมาเนี่ย อ, อหรือว่าขณะที่มีสติทําอะไรอยู่ก็ตามนะครับอือจะมีบางขณะที่เห็นเกิดดับอย่างชัดเจนคือแต่ไม่บ่อยนักนะครับคือเหมือนกับว่าเห็นอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นเช่นความหดหู่หรือความคิด แต่พอมีสติก็รู้สึกว่าจิตกำมังจะไปจับอกําลังจะจับอารมณ์นั้นแต่ก็หยุดอยู่แล้วก็แล้วก็อารมณ์นั้นก็ดับไปอันนี้คือการเกิดเกิดดับจึงต้องอธิบายเข้าใจอ๋อต้องฝังงี้ว่าเกิดคือหนึ่งจังหวะดับคือหนึ่งจังหวะเกิดดับเกิดดับคือหนจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะถูกไหมแต่ที่อาจจะมาพูดถึงเกิดดับเนี่ยคือจังหวะเดียวอสมมุติเกิดแล้วก็ดับนี่เป็น2จังหวะนะ แต่เกิดดับที่เราพูดถึงเนี่ยจังหวะเดียวอะฟังให้ดีทีหนึ่งสมมุติเราเห็นอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือเห็นเกิดเห็นอารมณ์หนึ่งดับไปก็คือเห็นดับนะเราก็บางทีถ้าคนฝึกทั่วไปก็จะไม่เห็นตรงนี้นะคนหนาๆจะไม่เห็นกลับจะเห็นจะเกิดอย่างเดียวจะไม่เห็นดับนะหรือว่าเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่อย่างเดียวแต่ถ้าคนฝึกมาหน่อยก็จะเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสามจังหวะอย่างนี้ก่อนเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฝึกไปฝึกไปจิตเราก็จะเริ่มละเอียดมากขึ้นจะเป็นเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับอย่างนี้นะเป็นสองจังหวะเห็นเกิดเห็นดับฝึกไปฝึกไปฝึกไปฝึกไปอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นที่เราต้องการเนี่ยคือเห็นเกิดดับจังหวะเดียวอก็คือเกิดดับตรงนี้คืออะไรสอดคล้องกับพุทธวจนะตรงที่ว่าจิตมีวิเวกมีวิราคะนิโรธแล้วก็ปล่อยวางนิโรธคือดับใช่ไหม ดับแล้วดับเลยวางเลยไม่ไปเกิดใหม่อตรงนี้ก็คือเห็นเกิดดับจังหวะเดียวคือจังหวะมันใกล้เคียงกันมากหรือยังไงคือสมมติว่าจากขนาดจิตหนึ่งใช่ไหมที่จะไปสู่อีกขนาดจิตหนึ่งเนี่ยเวลาอารมณ์เนี่ยมันจางคลายจากอารมณ์จิตเนี่ยจางคลายจากอารมณ์แรกใช่ไหมมันก็จะเริ่มจางคลายปล่อยดับพอปล่อยดับปุ๊บเนี่ยมันจะไปเกิดใหม่ทันที ใช่ไหมมันจะเกิดใหม่ทันทีเราจะไม่ได้เห็นระหว่างอารมณ์นี้หรอกรที่เราคือมันมันไปเกิดแล้วเราไม่เห็นแต่ว่าเราไปเห็นจับได้ทีหนึ่งมันตอนเกิดของอีกอารมณ์หนึ่งนูน่นไกลๆนูนนะ่นเพราะฉะนั้นที่พูดถึงเห็นเกิดดับจังหวะเดียวเนี่ยคือช่วงต่อระหว่างรอยจิตนี้เองที่ว่าจากจิตเอก้าวลงอารมณ์นี้จะไปอีกอันหนึ่งเนี่ยก็เห็นเกิดดับตรงนี้ครับคือมันจะไปเกิดใช่ไหย ม, มันดับเลย มันจะไปเกิดใช่ไหดับเลยปล่อยวางเลยสลัด ค, คืนเลยดับดับแล้วแรกดับไปแล้วนะสมมติเรามีอารมณ์อยู่ในสมาธิอย่างเงี้ยจิตออกจากสมาธิดับไปแล้วแล้วจะไปเกิดใหม่ในความคิดดับเลยก็คือเห็นเกิดดับตรงนี้<อ>จุดเดียวจังหวะเดียวคแสดงว่าสติต้องไวมากเลยนะครั บ, รบก็ต้องมีสติที่ดีมากๆล่ะทีนี้มันก็จะเป็นลักษณะว่าเหมือนกับเพาส์อะถ้าใครเรียน เคยทราบเรื่องเกี่ยวกับชิปจอนชิปจรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมหรือว่าวงจรไฟฟ้าอย่างเงี้ยถ้าเราเห็น Pa าส์หนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่เป็นเป็นรูปตัวอะไรไม่รู้อะไรตัวเอสขึ้นแล้วก็ลงเหมือนกับภูเขาอย่างเงี้ยครับภูเขาแต่ว่าบนภูเขานี้แบนๆนะที่รับสูงว่างั้นเถอะครับต่อมาเราก็เห็นภูเขาเป็นแบนต่อๆกันหลายๆรูปแต่แบนสั้นๆหน่อยแบนไม่ยาว นี่คือจังหวะที่สองคือเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับใช่ไหมทีนี้ไอ้จังหวะที่อาจมาพูดถึงเนี่ยคือเป็นเพาวส์แหลมๆเปียบเลยแล้วก็พัวหายไปเลยอื<ม>คือเห็นเกิดดับมันจะไปเกิดก้าวลงในอารมณ์ใหม่ไม่ดับทันทีครับอันนี่คือจังหวะที่เรียกว่าโบสข ะ, ะสลัดคืนครัโวสขคะ่ะก็คือว่าจางคลายดับไปแล้วจะไปเกิดดับไปเลยอย่างนี้<ม>อ่าก็คือถ้าใครเห็นอย่างนี้ได้แหมดีมากๆเป็น อ, อินทราวนาชั้นเลิศครับซึ่งพระอรหันต์ระดับสูงอ่ะถึงจะทำอย่างนี้ได้ที่มีพุทธวจะนะบอกว่าความเร็วเท่ากระพริบตาใช่ไหมครับโอ้โหเร็วกว่านั้นมากเลย <laughs> ยังเร็วกว่านั้นใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ <laughs> เพราะนั้นก็จึงให้คุณผู้ศึกษาปฏิบัติทราบเอาไว้ว่าถ้าจะมาพูดเกิดดับอย่างนี้นะคือจังหวะเดียวแต่ถ้าพูดเกิดเห็นเกิดเห็ดนดับนี่คือพูดสองจังหวะ แต่ถ้เกิดดับนี่คือจังหวะเดียวเะันก็คือจริงๆไอ้คำพูดที่เราพูดเนี่ยมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่พุทธวจนะนะที่พุทธวจนะก็จะมีอยู่ในส่วนของอธรรมะที่เป็นไปเพื่ อ, อทําให้เป็นไปเพื่ออะไระในสัมปรยายภพอ่ะเพื่อให้เกิดความเจริญในสัมปรายาภพอันหนึ่งก็คือเป็นผู้มีปัญญาเห็นการเกิดดั บ, รบตรงนี้แหละมีปัญญาเห็นการเกิดดับตรงนี้แหละ เรียกว่าจังหวะเดียวแต่มาก็เอ๊ะทําไมตรงนี้มันจะทำให้เป็นพระอาันได้ไงเอ๊ะทำไมวราชาใช้คําว่าเกิดดับคําเดียวไม่ใช่ว่าเกิดแล้วก็ดับอ่าก็ไม่ได้แยกกันไม่มีวงเล็บเอ้ยไม่มีเป็นมรรคเข้าไปในภาษาบาลีเอ่ยไม่มีเป็นวรนาาานวครคเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่สองคำเลยมันเป็นคําเดียวออืติดกันเลยเกิดดั บ, บนี่เป็นคําเดียวอครับไม่ใช่เกิดคําหนึ่งดับคําหนึ่งนะครับ อย่างนี้<ก>ในในไปครับในแง่ของคาราวาสเนี่ยโอกาสที่จะเกิดดับอย่างเงี้ยมากน้อยเท่าใดครับพระอาจารย์ครั บ, รรบก็คาราวาส ท, ที่จะเป็นพระอาารนะครับ <c oughs> ก็ต้องเป็นคาราวาสระดับที่จะเป็นพระอาจารย์ได้อ <c oughs> คือคือคารวาสหรือไม่คาราวาสไม่สำคัญหรอกอยู่ที่ว่าคุณมีสติไหมครับคุณมีสติไหมในการที่จะระลึกได้รวดเร็วขนาดนั้น ี่ยหรือว่าเห็นพอจังหวะนั้นซึ่งตรงนี้ผู้เช้าใช้คําว่าเอเมื่อเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตะเข้าถึงในทิฏฐธรรมอันหาสวกไม่ได้นี่แหละคือจังหวะนี้ซึ่งมันยิ่งกว่าขนทรายแทงขนทรายที่ผ่าออกแล้วเจ็ดแรงความละเอียดตรงนี้นะคือแล้วขนของเนื้อทรายตัวเนื้อทรายเนี่ยมันจะแพงขนมันมากคือมันจะหวงขนมันมากอ่ะถ้าขนมันไปเกี่ยวกับผู้ไม้เนี่ยถ้ามันดึงดึงตึงตึงหน่อยไม่ออกเนี่ยมันไม่ยอมไปไหนเลยนะมันแพงขนมันมาก ข น, ะนพวกจามารีอะไรพวกเนี้ยเพราะนั้นขนมันละเอียดอ่อนมากแล้วเราเอาขนมันมาเอามาพาออกเป็นเจ็ดส่วนเอามาส่วนหนึ่งนะ้แล้วก็เสียบให้ทะลุอีกส่วนหนึ่งโอ้มันละเอียดมาก ม, ม, มันระดับละเอียดยิบเลยนะครับใช่ราะเราก็ค่อยๆฝึกไปนะแต่ถ้าเรามีความท้อแท้เมื่อไหร่นะนั่นเป็นนิวร์นเครื่องกลางาชั้นเราไม่ให้เข้าถึงละถ้ามีเครื่องกั้นอย่างนี้มันก็จะไปไหนไม่ได้ อย่าว่าพูดถึงเห็นเกิดดับเลยสมาธิก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าท้อเราอย่าถอยเราอย่าหมดกำลังใจแต่ให้ทำไปเรื่อยๆมีวิริยะทำไปเรื่อยๆครับซึ่งรตรงนี้มันจะมาสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการพูดวันนี้พอดีคือครเรื่องของฉันทะ<อ>ความพอใจกั บ, รบเรื่องของสันโดษแล้วก็เรื่องของความอยากซึ่งฉันทะความพอใจสันโดษ ความใยา่พวกนีมน้มันต่างกันยังไงครับอย่างเราต้องมีความพอใจในสถานะที่เรามีอยู่นะแต่ตั้งมั่นตั้งเป้าในการที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยครับอ่าแต่กรณีนี้อาจจะเห็นง่ายขึ้นอย่างเช่นว่าคนที่ต้องการจะเป็นเศรษฐีเศรษฐีเงินสักพันล้านเอ้าต้องการจะมีเงินสักพันล้านอย่างเงี้ยแต่พเอเปิดดูเงินในกระเป๋าเอ้ามันมีไม่กี่หมื่นไว้ครับอ่าเขาก็จะถ้าเขามีความเสียใจ วความกังวลจะโอ้ตายแล้วทำไมเรามีไม่กี่หมื่นนี้จะทายัางไนนงนะจิตของเขาจะไม่ปกติจะเป็นจิตที่ไม่มีสมาธิ<ม>ใช่ไหมพอเป็นอย่างงั้นแล้วเขาจะไม่สามารถทํางานได้หมายถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพแตนะ่ความคิดก็จะแล่นไปในแนวทางที่ เ, เป็นมิจฉาอาชีวะรหรือว่า เ, เป็นอันเขาเรียกว่าอะไรอยากรวยรัดอย่างเงี้ยทุจริตในทางทุจริตอย่างเช่นปล้นธนาคารโกงผโกหก นะเพื่อให้ได้รวยเร็วเพราะว่ามีความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะ<อ>จิตไม่มีสมาธิละจิตถูกกวนละด้วยเครื่องเร้าต่างๆเครื่องล่อต่างๆจะเขามีโฆษณาวิธีรวยทางลัดมาแล้วเป็นลงทุนในหุ้นเอาไปลงจริงๆเสียตังค์อีกอย่างเงี้ยมันก็มีหลายเคสหรือหรือในกรณีตรงกันข้ามถ้าเราเปิดดูเงินในกระเปะ๋าเอามันมีไม่กี่พันไม่มีกี่ไม่มีไ ม, ม่กี่หมื่นเองอทายังไง เราก็พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะคนที่พอใจในสิ่งที่เราเมีอยู่เนี่ยนะจะเกิดความมีความสุขเขาเรียกว่ามีความอิ่มเอิบใจความพอใจอพอตรงนี้มีความอิมอ่มเอิใจพอใจมีความสุขเนี่ยจิตจะเป็นสมาธิอพอจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่องพอมไม่ได้ช่องเนี่ยมันไม่เอาช่องทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจเราได้ใช่ไหมมันไม่สามารถมายั่วยวนเราได้นะเราก็สามารถมีจิตที่จะโฟกัสในงานของเราได้เต็มที่ เวลาจะคิดงานอะไรมันก็คิดออกนะจิตมีประสิทธิภาพในการทํางาน <S <S เอาอย่างง่ายๆคนทํางานออฟฟิศอย่างเงี้ยมาแล้วตรง <S <S 1> <S 1> ครุณต้องเขียนรีพอร์ตคุณต้องทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทํางานเนี่ยแต่ปรากฏเอะ๊ะทำไปได้3ามนาทีเดี๋ยวไปเล่นอินเทอร์เน็ตดีกว่าเดี๋ยวไปเช็ค Facebook ดีกว่าเดี๋ยวไปเช็ค Twitter ดีกว่าเดี๋ยวไปทำนู่นเดี๋ยวไปทํานี่เดี๋ยวโทรโทรศัพท์ดีกว่าเดี๋ยวไปกินกาแฟก่อนมันทํางานไม่ได้ไม่ได้ตลอดนะ มันถูกปิทิภาพใช่มันถูกก็เรียกว่า r a c t ท n g ิ ing, ้ะครับทำงานไม่มีสิวิสิทธิภาพก็นั่นก็เพราะว่าคุณไม่พอใจคุณไม่จิตไม่มีสมาธิใช้ฉันทาความพอใจนในความเป็นเศรษฐีเงินล้านแต่ปัจจุบันเรามีความสันโดษ<อ>พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เขาเรียกว่าความสันโดษนะแต่ถ้าพอใจในอนาคตที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้อนะย่าอยากนะ ให้มีความพอใจในสิ่งที่เราตั้งเอาไว้นะอย่างสมมุติเด็กนักเรียนประถมมัธยมอย่างเงี้ยฉันจะเป็นหม อ, อมตั้งใจว่าฉันจะเป็นหมอคือตั้งฉันทะไว้ในความเป็นหมอแล้วตัวเองพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ขอบคุณเรียนอยู่แผนสินเหรอแม่ก็ต้องขยันหน่อยนะหรือว่าไปศึกษาความรู้เพิ่มเติ ม, ตมอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะได้สิ่งตัวเองพอใจในอนาคตโดยการตั้งความสันโดษไว้ในปัจจุบัน <Yeah. S 2> ตรงนี้ประเด็นตรงนี้มันทําให้เรามามองการปฏิบัติของคนปฏิบัติทั่วไปเอาเอาขั้นสูงเลยก็ได้พระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นปฏิสัตย์ที่ชื่อว่าสุเมธาดาบทบเห็นพระพุทธเจ้าชื่อทีพังกรเดินผ่านมาโอ้โห <c oughs> ฉันอยากจะเป็นพรนะุเจ้านะอยากเลยละ่ะ <Yeah. S 2> นั้นถ้าถ้ า, าสัมมาถ้าสุเมธาดาบทเนี่ยอยากมากอยากขนาดว่าฉันจะเป็นพรนะุทธเจ้านะก็จะทาเหมือนเทวทัต นะคือจะลงชีวิตพระพุทธเจ้าแล้วฉันจะเป็นตําแหน่งพระพุทธเจ้าเอ ง, งเพราะความอยากมากนี่ช่มันจะผลักดันให้มีการสแสวงหานะีมันก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการสแสวงหาละ่ะทีนี้พระองค์ทำยังไงตอนนั้นนะโพธิสัตวสุมเมธาดาบับโถตั้งชันทะไว้ในความเป็นพระพุทธเจ้าความพอใจในความเป็นพระุทเจ้าแล้วสันโดษในสิ่งที่เรียงมีฉันพอใจในสิ่งที่ฉันมีนะสันโดษมันก็แปลว่าพอใจและ แต่พอใจในปัจจุบันไงปัจจุบันแ ต, บแต่พอใจคือฉันทะเนี่ยก็จะเป็นพอใจในอนาคตหรือว่าในสิ่งไหนๆก็ได้ชะฉันทะตรงนี้นะครับซึ่งฉันทะดีคือฉันทะไม่ดีก็มีเราเคยพูดไปแล้วในรายการตอนก่อนนอ่นนู้นในยางไงก็ตามจะไฮไลท์ตรงนี้ให้ทราบความแตกต่างในสุเมธาดาบทเนี่ยก็พอใจในความเป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันก็พอใจในสิ่งที่เรงมีอยู่นะ ค, คือความเป็นดาบท เพราะฉันทำยังไงฉันถึงพอใจฉันความเป็นดาบทจิตฉันสบายใช่ไหมฉันจะทํายังไงให้ฉันเป็นสมมาสัมพูไดได้ซึ่งฉันก็พอใจในสิ่งนั้นเอางั้นเราต้องสร้างบุญสร้างบุญเนี่ย เ, เขาจะหาโอกาสทุกอย่างในการที่จะสร้างบุญบท <ำ S 2> าําความดีมใช่เอาทางเดินไม่เรียบร้อยละมาฉันจะเป็นทางเดินให้อย่างนี้นะก็สร้างบุญอ่าแล้วก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้เแล้ะเราจะเห็นว่าถ้าจิตของเราเนี่ยพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ ในขณะเดียวกันเราพอใจในอนาคตที่เราต้องการให้เราเป็นนะไม่มีความอยากเลยหมอทงครับมีแต่ความสบายใจนี่แหละคือสิ่งแวดล้อมที่เราต้องการสร้างในการที่จะให้ใครคนสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการไม่ว่าทางธรรมหรือทางโลกทางโลกก็ได้นะครับหรือทางโลกทางอารีพพาธทางการทำงานนะความสัมพันธ์กับเจ้านหนก็ตรงนี้หมดเลยครับแล้วก็อ่า มันต่างกันตรงนี้เรื่องความพอใจนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งว่าความพอใจตรงเนี้ยถ้าเราไปพอใจในสิ่งไม่ดีได้ไหมนี่คือแง่ไม่ดีของความฉันทะครับอแง่ไม่ดีของฉันทะเพราะว่าฉันทะนี่มันไปตั้งไว้ในความไม่ดีก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอคําของพระอานุ์เนี่ยจึงเจริญฉันทะเพื่อละฉันทะนนี่คือคําของพระอนุนที่บอกว่าเออเธอปฏิบัติมาทําไมอาฉันเจริญฉันทะก็เพื่อละฉันทะ อย่างนี้นะโ อ, อจะเจริญชันทะดีเพื่อที่ละชันทะไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมครับคือเพื่อละชันทะทั้งดีและไม่ดีอ๋อนะเพราะว่าชันทะคือความพอใจในการปฏิบัติใช่ไหมครับพอใจพอใจไปแล้วความพอใจมันหมดไปมันก็ดับได้ใช่ครับเป็นอย่างสมมุติคนที่ปฏิบัติอย่างเงี้ยคุณต้องสร้างบุญนะสร้างบุญสร้างบุญไปจนถึงที่สุดแล้วบุญคุณก็ไม่เอามับนะบุญเนี่ยเปรเียบเหมือนกับเรือที่จะพาเราข้ามฟากพอเราขึ้นฝั่งแล้วเนี่ย แม่จะมาแบกเรือขึ้นบ่าเดินไปด้วยกันมันก็ไม่เคยเข้าท่าก็ไม่ใช่นะก็ปล่อยให้มันลอยไปตามน้ําซะครับอ่า<ม>ลักษณะนั้นเพราะนัเราปฏิบัติเนี่ยก็หวังบุญใช่ไหมแต่พอถึงจุดแล้บุญเราก็ต้องวางในจิตของเราอะนะแต่ไกลแต่ไม่ใช่ว่าพระอาหารนี่จะไม่ทําบุญนะยิ่งทําบุญมากกว่าอีกแตนะไม่ว่าจะให้ทานยิ่งปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิยิ่งทําหนักกว่าอีกครับนะเพราะว่าเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นอื แต่ว่าในจิตเนี่ยบุญบุญไม่ได้มีบุญไม่ได้เกิดไม่ได้ยึดถือในสิ่งนั้นไม่ได้ยึดัแต่ว่าการการะทําครับก็ยังมีก็ได้ว่ามีการการะทําที่น้อมไปในนิพพานโดยชอบอเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มีการการะทําที่ไม่น้อมไปในนิพพานโดยชอบเนี่ยราคาจะเสียดแทงจิตของเธออ๋อก็จะสร้างเหตุให้อ่าสัตธรรมจะไม่ผ่องแผ้วไปได้ครับอมนนี้ เป็นประเด็นที่คิดว่าสำคัญมาก เ, เรามีความพอใจในสิ่งที่เราทำเราพอใจในสิ่งที่เราต้องการเป็นนะแล้วก็มีความสุขอยู่ในทุกวันทุกวันนะอาตมาเคยเจอหลายคนโดยเฉพาะเพื่อนๆชาวสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่านี่ฉันต้องเป็นเจตีก่อนถึงจะค่อยทำบุญหรอกค่อยให้ทาน ค, ค่อยมาแบบตั้งมุนนิฏิทำอะไรอย่างนั้นนะี่นะ ขอให้เป็นเศรษฐีก่อนตอนนี้ขอโกยเงินเต็มที่ก่อนว่างั้นจะทําเหมือนพวกบิลเกตอย่างนี้<อ>ใช่ไหมขอรวยก่อนซึ่ง<ม>อาตมาบอกให้ตามตรงเลยว่าคุณจะยิ่งมีปัญหาในชีวิตนะ<ม>เพราะว่าถ้าเรารมีความอยากในการที่จะเป็นเป็นเศรษฐีใช่ไหมครับซึ่งกับดักของความอยากตรงเนี้มีปัญหากับดักของตัณหากับดักของความอยากก็คือว่าพอเราอยากแล้วเนี่ยมันจะมีการแสวงหา พอมีการสแสวงหาแล้วก็จะมีการได้มีการ ไ, <ง S 2> ได้ก็จะมีการปรองจรักมีการปรองจัยรักก็จะกำหนัดพอกำหนัดเพลิดเพลินแล้วก็จะจับ อ, อกจับใจบแล้วก็จะมีความตระหนี่แล้วก็จะมีการห่วงกันแล้วก็จะมีเรื่องราวันเกิดจากการห่วงกันนะพอคุณเป็นเศรษฐีจริงๆริงคุณก็อยากจะเป็นเศรษฐีที่มันยิ่งไปกว่า น, นี้อีกเพราะคิดว่ายัางไม่พอแต่เพราะมันจะต้องมีการห่วงกันมีเรื่องราวตรงนี้นี่คือกับดักแห่งความอยากแล้วพอได้มาแล้วมันก็จะไม่หายหิวมันก็จะหิวอยู่เรื่อยๆ อยากได้มากขึ้นอีกใช่ไหมครับตรงนี้คือกับดักของความอยากพอได้ไปแล้วเอ๊ะทาไมมันยังหิวอยู่เอาอยู่อย่างง่ายๆเอาในสังคมปัจจุบันมาดุษฎ<ช>ีมเทคโนโลยีรเราไปถึงไหนแล้วใ ช, ใช่ไหมพามนุษย์ขึ้นไปดวงจันทร์มี i iPhone โทรศัพท์ไม่มีปุ่มแล้วก็ยังมีอะไรอีกต่างๆเยอะแยะที่มันเหมือนจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแต่คนก็ยังฆ่ากันมากกว่าเดิม ใ ช, ใช่ไหมอ<น>กดกันยังฆ่ากันเออหดฆ่าก็ยังมากกว่าเดิมค ด, ดีความในศาลไม่เห็นได้ลดลงใช่ครับเออแสดงว่าเราแก้ไม่ถูกจุดเราไม่ได้แก้ที่กามขันหรอกใช่ครับซึ่งคําสองพระเจ้าก็จะเป็นที่ที่ทุนกระแสน้นอมมาเข้ามาในตัวลักษณะ น, นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนะี่ยแปดผิดทางแล้วนะกับดักของมันจะมีสองอย่างอย่างแรกเราจะไม่ไม่มีทางหายหิว นะอย่างที่สองมันจะนำมาซึ่งปัญหาอย่างอื่นนนคือการที่จะไปเป็นทุจริตแนวอื่นๆด้วยเพราะนั้นต้องแก้ไงต้องนำธรรมะน้อมสู่ใจของคนต้องแก้ก็คือว่าธรรมะที่พูดถึงนี้ก็คือให้มีความพอใจเฉยครับแต่ที่เราจะพโหผมประโคมโฆษณาคือคนเนี่ยมันจะตกไปในกับดักของความอยากเนี่ยนะเพราะมันทำในใจซึ่งเขาเรียกว่าสุภาัญญาทำในใจซึ่งของสวยงามอะ อ๋อครับดูความของสวยงามบ่อยๆเดี๋ยวจิตมันน้อมไปเพื่อตระหาทันทีต้องพูดเลยราคะเนี่ยเต็มที่เลยอย่างคุณมาดูของสมมติชอบกระเป๋าใบหนึ่งหรือรองเท้าสักคู่หนึ่งไปดูมันเรื่อยๆดูมันเรื่อยๆน่ะราคะมันก็เกิดอะมันก็พองขึ้นพองขึ้นเพราะฉะนั้นและไอไอเราไปดูมันเรื่อยๆเนี่ยมันมาทางไหนมันมาทางโฆษณามันมาทางสื่อมันมาทางอินเทอร์เน็ต มันมาทางอีเมลมมาทาง SMS ที่จะล่อให้เราเออกไปครับเพราะฉะนั้นเราต้องทํำยังไงต้องรู้ทันุระชาชน <c oughs> จึงให้สํารวมอินทรีย์ครับสำรวมอินทรีย์ปิดกั้นอินทรีย์นั้นเป็นผู้มีสติรักษาจิตระวังเลยมีคอยเป็นเหมือนนายทวารตรวจเลยไม่ให้ใครเข้ามาให้ได้ไม่ให้สิ่งที่เป็นอักุศลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ครับเห็นโฆษณาเราก็ไม่นอมไปตามเห็นคนสวยๆคนหล่อๆอ เราก็ไม่ทําความเพลิดเพลินพอใจก็พูะเจ้าจึงให้เห็นอสุภัสสัญญาเพราะงั้นเอถอะนึกอสุภะามากๆ ม, มันก็จะจิตก็จะไม่น้อมไปในสิ่งสวยงา ม, มนะตันหาราคะก็จะไม่เสียบแทงจิตของเรารเราก็จะไม่ไหลไปในทางที่ไม่ถูกต้องเจิกับตากสองอย่าง ม, มันมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเนี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราไม่ต้องกังวลแลค่อยสร้างเหตุไปอย่าอยาก แล้วก็สร้างเหตุหถูกต้องทํำยังไงมันก็ต้องได้ผลอย่างนี้นะคือสร้างเหตุด้วยการปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมครับไม่ไม่ต้องไปอยากอยากได้อยากมีหรืออยากเป็นถ้าจะใช้บทเพียนชนะให้ถูกก็ต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะอพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วปัจจุบันทํำยังไงอ่ะให้เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงนไม่ใช่ของเรามีสันโดษสันโดษในปัจจุบันชันท่าในอนาคต แล้วก็มีสมาธิที่สำคัญที่สุดในเรื่องของอิทธิบาทสนีะ่นี่คือเรากำลังพูดถึงส่วนประกอบที่มีอยู่ในอิทธิบาทสี่ที่พูดถึงเป้าหมายในชีวิตเนี่ยก็คือทำเครื่องปรุงแต่งนั่นเองแล้วก็มีสมาธิแล้วก็อาศัยชันทะนะมีทาเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยวิริยะอาศัยจิตตอาศัยวิมังสาเรื่องจุดประสงค์จุดที่สาคัญตรงนี้มากๆเลยคือเรื่องของสมาธิครับ เพราะว่าสมาธิเนี่ยจะเป็นเครื่องปิดกัน้นไม่ให้มานมันได้โอกาส mm hmm. เป็นการ say no to temptation รเราจะไม่ไหลไปตามสิ่งล่อลว ง, ลวงย่อยั่วยวนอย่างเงี้ยอย่างผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่ทำงานโตขึ้นไปในหน้าที่การงานเนะ่หมอรัฐพงศ์จะมีโอกาสนะในการที่จ ะ, ะได้รับความล่อลวงจากเพื่อนร่วมงานอืมใช่ครับจริงครับมันมีการฉวยโอกาสกันเต็มที่เลยในที่ทางานในอื่นๆเราก็เคยได้ยินกัน ซึ่งถ้าเราบอกว่าเราสามารถปฏิเสธได้คนจะปฏิเสธตรงนี้คือจิตเขาต้องมีกําลังมีความเข้มแข็งใ ช, ใช่ไหมคนที่ไหลไปตามอย่างเงี้ยเป็นคนที่จิตอ่อนแอเป็นคนที่อ่อนแอถึงแม้ว่าเขาจะกล้ามเป็นมัดมัดแต่ถ้าจิตเขาเป็นอย่างนี้นะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่อ่อนแอจิตอ่อนแอใช่แล้วก็แต่ถ้าใครกําลังอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่ากําลังกายอาจจะไม่ค่อยมีแต่จิตเนี่ยมีกําลังในการที่จะปฏิเสธถึงสิ่งที่ไม่ดี อออืมีคนว่าจิตจิตเข้มแข็งใช่จิตเป็นคนมีเข้มแข็งมีกําลังก็จะทําให้เราผ่านไปได้นะครับหรือเป็นแทนที่เราจะมากลัวผีกลัวอะไรเนี่ยก็มากลัวความไม่ดีดีกว่ากลัวบาปมีเฮรีอัตตาปะครับพอพอท่านเชื่อมโยงเรื่องของกายกับจิตนึกนึกถึงเคสของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกรถไฟฟ้าที่ที่สิงคโปร์ชื่อน้องทันนะฮะที่ขาขาดสองข้างเนี่ย ผมเห็นอ่านบทความของเธอแล้วก็เท่าที่สื่อสื่อได้เผยแพร่เนี่ยโอ้โหคนนี้จิตใจนี้เข้มแข็งมากเลยนะครับจิตใจเขาเหมือนกับว่าขาขาสองข้างเขาเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่เขาอีกต้องมานั่งปลอบคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่าอย่าทุกนะอย่าทุกเพราะเขาไม่มีขาแต่กลายเป็นว่าโอ้โหนี่จิตใจนี่แบบ อ, อ, อันนี้คือเราอาจจะเห็นได้หลายคนหลายเคสหลายกรณีรที่พอเขาเจอวิกฤตในชีวิตเนี่ยแล้วก็ใช้วิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสในการที่จะให้จริงเขามีกําลังแล้วก็สามารถผ่านวิกฤตนั้นมาได้ไอคนที่สมบูรณ์ต่างหากเนี่ยไม่รู้ค่าของสิ่งที่เังมีอยู่อืนะจนกระทั่งเมื่อตอนที่ตัวเองใกล้จะเสียมันไปแล้วหรือเสียมันไปแล้วนะคนตอนที่สมมุติอ่าก่อนที่จะมาเจอเหตุการณ์อย่างเนี้ยนะบางที่บแบบเป็นคนที่หลงระเริง ไร้สาระพอตัวเองมีปัญหาเท่านั้นแหละปล่วยเป็นมะเร็งนะจึงจะมามมะเริ่มคิดว่าเฮ้ย<ม>ฉันต้องเข้าวัดปฏิบปธรรมครับแก่จนผมหงอกฟันหลุดแล้วเอ้ยฉันต้องเข้าวัดปฏิบปธรรมครับเนะพิ่งจะมารู้ว่าตัวเองใกล้จะตายเพิ่งจะมารู้<ม>ว่าตัวเองเนี่ยมีสิ่งที่เราจะต้องค้นหาทำอยู่เป็นผู้รประมาทไงเพราะว่าเรายังไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอ<ม>ถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีตั้งแต่แรกคือมีความสันโดษตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะ แต่ ว, วันที่หนึ่งเลยไม่ต้องมันรอมันสุดท้ายสุดท้ายหรือว่ารอวันที่เจอวิกฤตในชีวิตเนี่ยถ้าเรามีความสันโดษตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยจิตเราจะสบายพอจิตรเราสบายเราจะคิดได้อย่างผ่องใสนจะเป็นผู้ที่จิตมีสมาธิคิดได้อย่างผ่องใสว่าเอะเราไม่จาเป็นต้องรวยก่อนก็ได้นี่เรารทําทานได้ตั้งแต่ตอนนี้ใช่ค่นะเรามีน้อยก็ทําน้อยใช่ป่ะมีน้อยเราก็ทําไปยิ่งตรงนี้จะเป็นสนับสนุนให้เราร่ํารวยมากขึ้นมีโพกซัพ์มากขึ้นในอนาคตด้วย นะเราก็มีความสุขสบายตั้งแต่ปัจจุบันคนรอบข้างก็แฮปปี้ใช่ไ้แเราก็ค่อยๆก้าวไปในชีวิตของเราแล้วก็ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะไปด้วยแล้วก็ก้าวหน้าไปในงานด้วยก็เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมใช่แล้วก็ไม่ตกหลุมไปในกับดักของความอยากครับจริงๆเรื่องความอยากกับกระแสทุนนิยมนี้มันมาคู่กันเลยนะครับท่าน ถึงว่าธรรมะนี้ต้องทวนกระแสอย่างแรงเลยนะครับใช่ใช่ครับเราก็ไม่ใช่แค่เรื่องกามนะอย่างเรื่องของสถานะเรื่องของความอยากมีอยากเป็นใช่ครับที่เราพูดกันไปในตอนสองตอนก่อนหน้านู้นว่าใช่ถ้าเราอยากให้ธรรมะเป็นอย่างงั้นอย่างนี้อยากให้คนนี้มีธรรมะอะไรคุณตามกระแสของภาวะตันหาล่ะอืมครยิ่งต้องระวังนะตรงนี้มันมันละเอียดอ่อนมากครับอืมครั บ, มรบเมื่ อ, อคราวที่แล้วที่ท่าน ได้เรียนเรื่องของความจำกับสมองใช่ใช่ว่าถ้าจะมีประเด็นเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพราะว่าคราวที่แล้วอาจจะอธิบายไว้อย่างไม่ค่อยเคลียร์ยกตัวอย่างถึงบุคคลบางคนที่ทำการ Visualization แล้วก็คิดถึงมะนาวจนกระทั่งมีน้ำลายออกจากปากใช่ไหมซึ่งเราก็อาจจะก็จะมีนักเขาเรียกว่า Neurologist นักในสมองนะาภาษาวิทยาเนี่ยจะมีความเห็นอย่างนี้บอกว่า ก็ที่เพราะว่าสมองเนี่ยเข้าไปเข้าไปรับรู้ไงครับสมองเข้าไปรับรู้ถึงความจำตรงนี้ตรงนี้เป็นความจำสมองเนี่ยมารับรู้ตรงนี้นะจึงทำให้ผลิตน้ำลายออกมาได้นะก็ูดอย่างนี้ก็ได้ถ้างั้นเราก็ต้องพูดอย่างนี้ก็ต้องถามอย่างนี้จริงๆว่าออในบรรดาคนที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าให้คุณฟังทุกคาก็จริงนะแต่ว่าจิตของคุณเนี่ยอยู่กับลมหายใจ นะฟังอย่างช่นเจนจิตลอยอยู่ลมหายใจเราจะไม่มีน้ำลายไหลออกมาเพราะว่าจิตของเราไม่ได้ไปจับที่มะนาวแต่มันจับที่ลมหายใจคือมีสมาธินิ่งอยู่ไม่ไหลไปตามแต่หูได้ยินเสียงเข้าใจเนาะอันนี้<ต>คือจิตจเราไปที่อื่นนะจิตเราไม่ได้ไปกับมะนาวแต่ถ้าจิตเราไปกับมะนาวนะเราก็จะมีน้ำลายออกมาถึงแม้หูเราจะไม่ฟังแต่เราไปคิดเรื่องมะนาวของเราเองนะจิตก็เราไปตามจังหวะความคิดของเราเอง มันก็ไปตามความคิดของเราเองอืก็จะทำให้แยกได้เองชัดเจนว่าเออจิตกับสมองนี่มันคนละอย่างกันอใืใช่ครับใช่ครับถ้าแต่จริงๆในในเชิงวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามพยายามบอกว่าสมองควบคุมทุกอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆในประกาศของพุทธเนี่ยผมก็กว่าจิตจิตเนี่ยมันควบคุมสมองอีกครั้งหนึ่งคือถ้าถ้าเราจะอาศัยเครื่องมื อ, อมเครื่องไม้ที่จะมีในปัจจุบันแล้วก็ สรุปมาที่ความเห็นนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องของเขาเพราะว่าเขามีเครื่องมือเท่าที่เขามีใช่ครับเขาไม่มีเครื่องมือที่พอจะวัดสิ่งที่เป็นนามาทําได้ใช่ครับเขาก็เลยสรุปอย่างนั้นใช่ครับแต่ถ้าเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนกันได้ทุกวันถ้ามีหลักฐานอะไรใหม่ออกมามันก็คิดเรื่องใหม่ออกมาเนาะเราก็ไปฟังความเห็นของผู้ที่รู้หมดทุกอย่างดีกว่าเป็นสัพพันยูใช่ใช่คือพระพุทธเจ้าครับใช่ นะใช่ก็เลยจะเพิ่มเติมเรื่องของจิตกับสมองตรงนี้ว่าจิตเนี่ยเป็นประธานเป็นใหญ่ทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจอีกประเด็นหนึ่งท bueno ี่จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพุทธวจนะสักหน่อยหนึ่งได้ครับแล้วว่าพุทธวจนะเนี่ยเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าเนะเพราะฉะนั้นการกำหนดบทพยียนชนะเนี่ย บางคนก็จะมีความสามารถไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความสามารถอย่างไรก็ทําไปอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะแล้วก็ให้ผู้ที่ฟังต่างหากที่ควรจะต้องรับฟังแล้วม า, ท, าทํำยังไงถึงจะนะไปะไปตรวจสอบเทียบเคียงในพระสูตรกับพระวินยัยเพื่อตรวจสอบให้ได้นะประเด็นมันอยู่ที่ผู้ฟังแล้วก็ผู้พูดเนี่ยถ้ากําหนดบทเพียญชนะอย่างสืบทอดกันมาถูกอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ พุทวจนคำสองพระเจ้าดำรงอยู่ได้นานดารงครับ ท, ไไทีนี้ถ้าในการพูดออกไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นขัดเคืองนะเราก็เลี่ยงที่จะพูดนะเราก็พูดเรื่องที่เขาพอจะฟังได้ในในรายการอื่นๆเนี่ยบางทีเราพูดเรื่องนี้ไม่ได้ว่า บ, บางทีเราก็ต้องพูดสิ่งที่เขาพอฟังได้นะอาจจะเปียรชนะอาจจะฟังง่ายๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ เพราะาสื่อจะเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าแมสคือสื่อวงกว้างนะครั บ, รบแล้วถ้าพูดออกไปแล้วมันจะทําให้มีการความขัดแย้งกันก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดอันนี้ผู้รู้ชอก็ตรัสไว้ชัดเจนอันก็จะไม่ใช่วาจาสุภาษิตอ่ะอจะเกิดความไม่สามัคคีก็ให้งดเป้นการพูดอันนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วก็ถ้าพูดไปแล้วพูดวาจาที่ขัดแย้งกันเนี่ยก็จะต้องหมองการพูดมาก พูดมากออจิกก็จะฟุ้งซ่านล่ะฟุ้งซ่านก็จะไม่สํารวมไม่สํารวมจิกก็เหินหนังจากสมาธิพอเหินหนางจากสมาธิมานก็ได้ช่องละ่ะมันก็ได้ช่องที่จะทำให้เราแตกกันละ่ะครับยิ่งถ้าคนพูดแตกกันนะโอ้ยคนาศาสนาอื่นน่ะก็ยิ่งแฮปปี้มากๆเลยอืมใช่ครับใช่ไหมอ้าวพวกกลุ่มนี้แตกกับกลุ่มนั้นอันนี้มันมันก็นับถือพระเจ้าเหมือนกันนีกว่าอ้าวดีแล้วเรายิ่งเสีย ม, มันเลยครับใช่ครับก็จะยิ่งไม่เป็นการดีเราก็สามาธิกันไว้ค่อยพูดค่อยจา คลายอันไหนปรับปรับได้ก็ปรับปรับไม่ได้ก็วางไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่ก็ยกไว้ก่อนแล้วค่อยพิจารณารื่อื่นไปก่อนอย่างนี้ครับไม่ไม่ต้องยกมาว่าประเด็นขัดแย้งกันแล้วก็จะไปด้วยกันไม่ได้อย่างนี้ก็มิสมควรใช่ไหมครับใช่ใช่เหมือนอย่างเราไม่ได้เจอเพื่อนเก่ามานานๆอย่างเงี้ยนะไปเจอกันทีหนึ่งเนี่ยหรือว่าเราเราคบเพื่อนใหม่เนี่ยเราจะทําความรู้จักกับเขายังไงเราต้องหาสิ่งที่เข้ากันได้มาคุยกัน ใช่ครับถูกไอมว่าเอ้านี่จบมาจากโรงเรียนเดียวกันอาหรือว่าเจอเพื่อนใหม่เอานี่เธอเรียนที่ไหนอ้าวคุ้นเคยเรื่องนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยหาเรื่องเหมือนเหมือนกันมาคุยกันอืมเท่านั้นเองมันก็จะสามัคคีกันได้ไปกันได้คหัวเมียที่ก็แตกกันเนี่ยนะก็เพราะว่าคุยเรื่องที่มันลงกันไม่ได้ออแต่ถ้าเราหาเรื่องคุยที่มันลงกันได้สอดคล้องกันมันก็ไปกันได้แค่นั้นแหละครับมีนึกนึกถึงพุทธวจนะ บทหนึ่งที่บอกว่าการที่จะเกิดความสัมมาคีคือให้เราทาต า, ตามวราระจิตของของคนอื่นอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านอันนี้ก็เป็นวาทะของภิกษุที่มีนามสกุลอนุรุทธะที่ว่าทำตามวราระจิตของผู้อื่นแล้วก็เก็บ<ม>จิตของตัวเองเขาพอใจแล้วเราก็ทำก็จึงเป็นผู้ที่สัมคีอยู่ได้ผู<ม>้<ม>ชาก็สาธุนะครั บ, รบอย่างนี้ในชีวิตจริงๆหมายหมายถึงว่าเราก็ อ่าหมายว่าในครอบครัวก็ยอมยอมตามคนในครอบครัวอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่คือคือยอมเนี่ยก็ต้องดูว่าถูกผิดด้วยก็ต้องอยู่ในไกด์ไลน์ที่พระเามาเอบไว้คือเรื่องของสี่ห้าครับผมอ่าอยู่ในแนวแนวไกด์ไลน์เรื่องของสี่ถ้าอยู่ในมาร์กตรงนี้เนี่ยครับอ่าก็สบายคร <c oughs> ับทีนี้ในในเรื่องของอ่า ที่เป็นพุทธวจนะก็จะพูดอีกในย้ำหนึ่งด้วยคือจิตเนี่ยไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนอืนนั้นอะนั้นครับคือละจากอากุศลชก็จะเป็นพูดที่เข้ากันได้กับเหมือนกับน้ํานมกับน้ำน้ำนมกับน้ำครับผมอืมครับผมคิดว่าวันนี้เราได้พูดถึงอทั้งหมดสามเรื่องมรุษยงศ์ครับผมเรื่องของการเกิดการดับครับผมว่ามีหนึ่งจังหวะดสองจังหวะก็มีับนะเราพูดถึง เรื่องความพอใจความพอใจแล้วก็สันโดสันโดษใช่ไหมแล้วเราก็พูดถึงเรื่องประเด็นเพิ่มเติมเรื่องจิกับสมองแล้วก็ยังได้พูดถึงเรื่องอะไรคือพุทธวจนะเนอที่พระพุทธเจ้าให้มุ่งหวังเอาไว้นี่ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือคำแนะนำเพิ่มเติมก็ส่งมาที่เพียวธรร m a ดอทได้นะครับใช่แล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปนี่ พูดเรื่องอะไรดีรอะมอครับก็เดี๋ยวเราไปนึกกันก่อนก็ได้ครับ<อ>เพราะว่าอาจจะมีลักษณะที่เหตุการณ์ปัจจุบันหรือว่าอะไรบางอย่างทึง่งอาจจะนํานํามาสนทนากันได้ครับหรือถ้าท่านผู้ฟังอยากหรือต้องการดีกว่า <c oughs> ต้องการที่เรื่องอะไรที่ติดขัดหรือว่าเ อ, อสงสัยอย่างเงี้ยยกยกมาเป็นหัวข้อเลยก็ได้ครับเรามาสนทนาหรือว่าแลกเปลี่ยนกันได้นะครับครับใช่ แล้วเกพราะนั้นก็มาพบกันในตอนต่อไปตอนที่37ครับไในตอนที่ส6วงนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับครับก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุโ น, โนแห่งวัดป่าดอนไนโศและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับจเจริญพา